มีอะไรรึเปล่ามีอะไรจะถามเหะอถามแรกนี่เราจะตอบได้ <c oughs> อาจารย์อยากถามหลวงพ่อค่ะว่าเอ่อเกินว่าลูกชายตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพ ค, ค่้อไหนข้อ น, นี้ค่ะข้นี้นแล้วพ่อกับแม่นี่พอจะเออทำยังไงที่จะช่วย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 แต่ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวสุขประเดียวประเดสุขแล้วก็หมดไปได้ดูได้ยินได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานก็มีความสุขเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปก็อยากจะได้อีกก็ต้องไปหามหอกีก็ต้องใช้ร่างกายแต่ร่างกายมันไม่สามารถที่จะหาตอนความอยากของเราไปได้ตลอด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 แล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสงบนี้เพราะว่าสตินี้ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากที่คอยทำลายความสงบได้ต้อใช้ปัญญาถ้ามีปัญญาทุกครั้งอยากก็อยากกับอะไรก็จะรู้ก็จะรู้ว่ามันเป็นการเดินเข้าหากองทุกอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เข้าหาความทุกข์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 มีแล้วป่ะจะเล่าแล้วป่ะก็อยากจะก็คือตอนนี้อยากอยากจะศึกษาแนวทางปฏิบัตินะครับอย่างงี้เอา่านมาซือไปอ่านหาซีดีไปฟังต้องใจเยน็นๆต้องศึกษาไปเรื่อยๆเจนกว่าจะเข้าใจแล้วค่อยปฏิบัติ ก็อย่าไปวิตกไม่มีใครรู้นาโคตว่ า, าจะเป็นยังไงเราจะไปก่อนเขาแล้วเขาจะไปก่อนเราเราก็ไม่รู้ทาให้ดีที่สุดก็แล้วกันมีอะไรจะาถามไหมไ ม, มีอะไรหรือเปล่าอ่า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 บางทีอยากจะให้เขาหายมากมากไปก็หยุดมันเลยหยุความอยากใช้พุโทโธพุโทโธท่องไปภายในใจแล้วก็บอกว่าความอยากมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้คนหาย ห, ายหรือไม่หายสิ่งที่จะทำให้คนหายไม่หายก็คือหมอหรือยาแล้วก็อาจจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้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 ถ้ายาสู้โรคได้โรคมันก็หายถ้ายาสู้โรคไม่ได้หรือไม่ถูกกับโรคมันก็ไม่หายมันก็มีแค่นั้นใช้เหตุผลอย่างอย่าใช้อารมณ์ใช้หลักเหตุผลข้อแรกก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าเป็นอะไรกันแน่้าวิเคราะห์ไม่ได้ก็ก็รักษายากทำวิเคราะห์ได้ว่าเกิดเป็นเกิดจากอะไร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 สาหัสเขาก็ไม่กลับมาหาเราอย่างคนบางคนมาหาเราเพราะเขา เ, เขาเดือดร้อนยากจนพอเขาร่ํารวยขึ้นมา เ, เขาก็ไม่กลับมาหาเราละเขาสบายใจละ เ, เราก็ขาดลูกค้าไปเราต้องเลี้ยงลูกค้าปล่อยให้เขาไม่สบายใจไปเรื่อยๆอเขาจะได้มาหาเราอยู่เรื่อยๆจะได้มาทําบุญอยู่เรื่อยๆ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 พอใจ่ต้องมาปฏิบัติกันต้องมาทาใจให้ให้ปล่อยวางให้เป็นถ้าปล่อยวางเป็นแล้วก็จะสบายตอนนี้เราปล่อยเป็นเรายึดติดพอายึดติดแล้วก็อยากให้สิ่งที่เรายึดติดนี่ดีเราติดยึดติดกับคนไข้ก็อยากให้คนไข้าหายเราต้องพิจารณาว่าเรา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 เ้อนังหัดทําใจแล้วจะมีความสบายมีอะไรแต่ว <Rem ind S 2> ่ามาั้าอาจารย์อย่างที่ถามพ่ะอาจารย์วันก่อนนะตรงที่ว่าพอเราเดินตรงตรงเสร็ปุ๊บเข้าสู่ชีวิตปกติปุ๊บเนาการปฏิฆะคพื่อผู้มีวาุ พ้าอาจารย์ตอบว่าหนูอบอกว่าหนูก็เลยลองใช้ปัญญาโดยว่าจะแบบต้องใช้อาสุพะคือปฏิฆาแต่อสุพะมันโยเป็นยังไงก็ได้ครัก็เวลาเกิด<ม>การอารมณ์ขึ้นมามันก็จะเกิดปฏิฆาขึ้นมาเราอยากกินกาแฟแล้วไม่ได้กินนี่มันก็ทืดฮัดฮืดฮัดหงุดหงิ ด, ด, ด, ดปฏิฆาก็ขึ้นมางนั้นต้องหยุดความอยากกินกาแฟพอหยุดได้แล้วมันก็จะไม่มีปฏิฆา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 คงดหงิมนมีหลายหลา ย, หลายอย่างแต่มันไม่ใช่คําหงุดหงิดนี่จะที่คําว่าปฏิฆะนี่มันหงุดหงิดจากการอารมณ์แต่ที่หงุดหงิด น, นี่มันหงุดหงิดจากไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบเข้าใจไหมเป็นทุกข์ทุกข์ในอริยาศาสตร์ท่านแสดงว่าสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็เป็นทุกข์พลาดพาดจากสิ่งที่ชอบก็เป็นทุกข์ อันนี้เรียกว่าทุกข์มันก็ปฏิฆาเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเราไม่ใช้คาว่าปฏิฆาปฏิฆานี่หมายถึงในการที่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาแล้วไม่ได้เสกกามอารมณ์ก็ไม่เกี่ยวถ้ากินกาแฟก็ต้องดูก็อสุภาก็ต้องดูอ า, อ, งดอาหารเลยปฏิกรลสัญยา ดูเวลามันผสมกับน้ำลายแล้วถุยออกมาแล้วกินเข้าไปใหม่ได้ป่ะมันอร่อย ก, ก่อนจะกินก็ถุยน้ำลายใส่เข้าไปในถ้วยกาแฟก่อนก็นได้เดี๋ยวมันก็จะต้องไปผสมกับน้ำลายเราดีีอาเจยนแม่าบการรสชาติอ่อเยกไม่กล้ากินกลับก็เป็นไอ่าทำไมนะก็อร่อยไม่เ่ แ ต, แต่รู้ว่ารถมันไม่เปลี่ยนในชะ่ไหลงไปในกระเพาะบอลกลย็ยังไม่เปลี่ยนก็ไม่ไดเปลี่ยนหรอกมันยังไม่มีเวลาที่ไปมีปฏิกิริยากับสารอย่างอื่นในริยสะสั้นสีอย่างที่พอาจารย์เคยแสดงเวลาเราพิจารณาเป็นไต ร, รักจะแบ่งเป็น อ, อนิจจังกับอนัตตากับทุกขงังแต่บังเพิงส่วนใหญ่ที่เห็นจะเห็น ทุกขังที่มันเกิดขึ้นในใจก่อนแล้วค่อยพิจารณาต่อไปอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพิจารณาอย่างนี้ยถือว่าเราพิจารณาเข้าสู่อริยสัจสี้ใช่ไหมคะท้าวอาจารย์ถ้าเกิดว่าถ้าพิจารณาลงไปให้ดูเหตุทุกข์ทําไมเราถึงเกิดอาการอย่างนี้ยแค่นี้เพียงพอไหมท้าวอาจารย์ก็ทําให้มันหายทุกข์มันยังจะเพียงพอต้องจิตใจต้องกลับมาเป็นปกติ ถ้าถ้าอย่างนี้ในกรณีนี้ก็คือว่าที่เขาบอกว่าให้เห็นทางในนในสติปัญญาสิ่งเห็นทางก็คือเห็นไจรักแต่เห็ น, น, นคือเห็นอันใดอันหนึ่งก็ได้ใช่ไหมก็จรู้ว่าเห็นต่อให้เห็นอริยะต่อสิ่งก็ต้องพยายามใช้ปัญญาลง อ, าอย่าไปค<ๆ> <ละ S 2> ่ายกัรณีก็ลองดูเอากรเห็นอันไหนแล้วมันดับความทุกข์ได้ก็ใช้ได้ <c oughs> ฆ่าไปทำไมครับก็ <S <S ไปปฏิบัติสิแล้วก็จะรู้เองไม่ต้องมาถามอปฏิบัติส่วนใหญ่ใช้เฉยแต่ว่าพอมันเกิด อ, อาการไหวของจิตพวกเราก็รู้ว่าทุกมันเกิดแล้วแล้วหยุดเป็นได้ไหรือเปล่าได้บ้างได้บ้างส่วนใหญ่ก็ใช้พอมันส่วนใหญ่ก็รู้ว่ามันเกิดแล้วก็ถ้าสู้ไม่ไหวก็นิ่งไว้เดี๋ยวไม่ก็ดับทีนั่นนิ่งเฉยเฉเดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่ ถ้าอยากแม่แม่มันกลับมาเกิดก็ต้องก็ต้องเห็นโทษของมันเห็นยาเสพติดไงเห็นยาเสพติดเห็นโทษของมันไอม<จ>กล้าเสพไม่ยาเสพติดกาแฟมันก็ยาเสพติดแบบอ่อนๆยังไม่เห็นโทษของมันมันก็เสพอยู่นั่นเราทาเราทำให้เราเป็นทาสของมันขึ่งนะ มันต้องเห็นทุกก็ได้เห็นหน้านิจังก็ได้เห็นหน้าหน้าตาหรือเห็นทั้งสามตัวก็ได้เมื่อถ้าเป็นการมาลงก็ต้องเห็นอสุภะเมื่อเห็นอาหารเลยปฏิกริยารสัญญาถ้าเป็นการมาลงเกี่ยวกับรูปรถกลิ่นสีของอาหารนี้มันก็ต้องทำลายรูปรถกลิ่นสีที่สวยงามที่น่าดมน่าชมดูตอนที่มันออกมาจากทางทวารหนักด้วย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 อยากเป็นของเรากลายเป็นของคนอื่นไปมันก็ร่อ ง, มองหมรลังไหาแฟนทิ้งเราไปไปนี้แฟนใหม่นี้จะทำไงห้ามเขาได้ปะ่ะใช่ัหมหมอถึงไม่มีแฟนใช่ไหมเพรมองเห็นว่าไม่ใช่เป็นของหมอใช่ไหมไม่มีใครเขาเราทำไมจะไม่มองเราไม่ไปมองเขาเองอ่ะเราไปประเมินตัวเราต่ําเกินไปเองอะ่ะ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 ถ้าเป็นอาหารก็ต้องมองมองมองอาหารที่มันเวลามันเน่าบูดไปแล้วเวลามันเปลี่ยนสภาพไปแล้วจะมีคาถามว่าเวลาถ้าสาหรับคนที่เขาไม่ได้รับถือาศาสนาพูดเวลาก็มีความเครียดจากคนรอบข้างเกสอนเขาย่างไรคะศาสนาพู้ธมันไม่ได้เป็นาศาสนาบอก่ามันเป็นยารักษาโรคความเครียด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 ใจเข้มแข็งอมีเหตุมีผลอยากจะช่วยแต่บอกมันช่วยไม่ได้เพราะช่วยแล้วเราตายเนี้ยต่อไปก็คุณก็มาช่วยเรามาใสายเราไม่ได้อยู่ดีเหตนตอนนี้มันถึงขีดที่ว่าช่วยไม่ได้แล้วแต่ถ้าไม่ช่วยพราะความตะหนีนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็ค่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 หลือมองให้มันไกลกว่านี้สักยี่สิบสามสิบปีก็ตายกันหมดแล้วทั้งเขาทั้งเรา <c oughs> มันก็จบ <c oughs> ใช่ไหมชีวิตเราก็เป็นเหมือนละครเดี๋ยวมันก็จบ <c oughs> อ่ะยากจะทุกข์เพิ่1สิบปีเลอแล้วเราจะดูว่าละครของเราจบตอนนี้นคือปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิด <c oughs> ก็กรรม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 ที่รักษาโลกได้ทุกอย่างแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบยี่ห้อ น, นี้เขาชอบยี่ห้อ น, นึก็<ช><ๆ>ก็ช่วยไม่นายเขาจะคิดไม่เหมือนเราเพราะว่าคนแต<ค>่เถ<ค>ูกสอนมาไม่เหมือนกันไงเาศาสนาพุทธเรานี่ยจะปล่อยวางให้มันผ่านไปิดขึ้นตงดดับไปใช่เขาปล่อยไม่ได้บางทีความเมตตาของเขานี่กลายเป็นความ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 ถึงแม้ตัวเขายังจะตัดสินใจท่ า, า ก, ก็เป็นวิธีที่แก้ปัญหาผิดจุดเพราะว่าร่างกายนี้มันเปนต้อเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วผู้ที่เครียดนี้ไม่ได้เป็นใจที่ไม่ได้เป็นร่างกาย ท, าที่สามารถที่จะไม่เครียดได้วิธีที่แก้ปัญหาก็คือต้องมาแก้ที่ใจ มีทุกอ์เป็นสัญชาติเขาไม่ให้เรื่องทั้งๆแกรทั่เรื่องลูกลูกก็คืกโตแล้วบางทีเราก็ทุกข์กับเพราะว่าเหมือนความอยากไงอยากให้มันดีคือเขาสามสิบเนี่ยเราจะีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเชื่อยเหลือตัวเองแต่ว่าก็ไม่พ้นพ่อจะเป็นลักษณะเหมือนแบบมีเรื่องทุกข์ใจมาให้แฟนเรื่อยๆเราก็ไม่อยากคือบ้านเราจะเป็นลักษณะว่ายุคโตแล้วก็ต้องให้เขาช่วเหลือตัวเองออ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 ไม่พอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทุกข์ละพอใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทุกข์อีู่พอพอใจแล้วก็กลัวมันจะจากเราไปก Josh แล้วเวลามันจากไปจริงๆก็ทุกข <PE> <ะ>์อีกแล้วมันมาสร้างปัญหากันเองเขางหนึ่งดังเขาก็มาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้หนละเขาก็มาแล้วตั้งอยู่แล้วเขาก็ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไอเราไปยุ่งกับเขาเองไปพอใจพอพอใจก็ไม่อยากให้เขาดับ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 เฉยไม่ได้เฉยเฉยแบบไม่มีเหตนไม่มีผลไงมีเงินแบกให้เขาก็ได้มีอะไรให้เขาก็ได้ช่วยโดยครก็ได้เไงแต่ใจเฉยเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ใช่พอต้องเสียเงินเนี่ยเว้ยเ <c oughs> บื่อละถ้าเวลาดได้เงินเนี่โอ้ยชอบนี่อันนี้อย่างนี้เรียกว่าใจดีนะใจดำใจเฉยเฉยคือว่าอได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจใจไหม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 แล้วอาจจะไปทําร้ายคนอื่นและทำร้ายตัวเองไหนๆกูจะต้องตายก็ตายแค่ตอนนี้เลย <c oughs> อันนี้ก็ไม่ใช่ละ <c oughs> ไม่ได้การเจริญมรรณนั้สติไม่ได้ให้ฆ่าตัวเราหรือฆ่าคนอื่นให้เราปล่อยวางเขาว่าไม่ช้า ก, ก็เร็วเขาก็ต้องตายเราก็ต้องตายไม่ต้องไปทําอะไรให้ให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆทาแล้วก็จะเป็นเวรเป็นกรรมเ ป, เป็นบาปเป็นกรรมกันไปเปล่าๆ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 แต่ถ้าได้ความสงบแล้วไม่อยากได้อะไรจะไม่เสียใจได้ก็ไม่ดีใจเสียก็ไม่เสียใจเป็นเหมือนของแถมอย่างเงี้ยเราไปเติมน้ํามันนี่เขาจะแถมผักอะไรให้เราได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสิงเราต้องการก็คือน้ํามันเลยเห็นใจถ้าเราได้น้ํามันคือความสุขใจแล้วจะได้อะไรอย่างอื่นมาก็ไม่สาคัญจะเสียอะไรอย่างอื่นไปก็ไม่สำคัญเ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 อย่าไปเกลียดมันสิหัดชอบมันเอาฉันชอบเธอเลือเกินเจ็บกว่า น, นี้ไม่ได้หรื อ, อ, อให้มันชอบมันชอบกาแฟดูสิจะจะไม่อยากให้มันไปหรอเอาความชอบกาแฟมาใช้กับชอบกับความเจ็บดูเลยทําได้ไหมเวลาเราชอบกาแฟเป็นยังไงนึกถึงตอนนั้นแล้วก็อามาใช้กับใช้กับความเจ็บนี่ดูถ้าเราชอบมันแล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับมัน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 พอเราจะเกลียดเขาละเราเกลียดเขาเป็นละแล้วเวลาสิ่งที่เราเกลียดมาหาเราเราก็จะไม่นไม่เดือดร้อนเพราะเราจะรักเขาได้อันหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแบบเหมือนเขาพูดว่าสําหรับพระที่ปฏิบัติเ็นถึงนขั้นแต่ที่รู้แจ้งเห็นจริงก็มักสงสัยว่าการที่เคยอ่านนะคะก็บอกว่าพระ โรคเนั้ยเนี่ยจะสามารถที่จะอ่านใจคนได้เนี่ยคนใจนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะที่จะไปอ่านความคิดของคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเาะว่ากำลังคิดอะไรคือการรู้แจ้งเห็นจริงนี่มันมีหลายหลายรู้แจ้งแต่ที่ทางเป้าหมายของาศาสนานี่อยู่ที่ทรู้ในอริยสัจสี่รู้ทุกขสมุดไทยนิโรธมากรู้ตายรักอันนี้รู้ต่าเรื่องของตัวเอง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 รูปคลิปก็เหมือนกันเ ล, ลึกชาติเหมือนก็เ ล, ลิกไปในอดีตได้เป mm ็น hmm. จิตนี้นอกจากที่จ ะ, ะสามารถทำให้ตนเองหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นะ mm hmm. ก็ยังสามารถสร้างอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ความอภิยยาต่างๆขึ้นมาได้เฮอเหินเดินอากาศอย่างพระโมคคัลลานี่ท่านมีอิทธิฤทธิหลายรูปแบบแต่พระสารีบุตรไม่มีเลย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 พระโมกขลานี้เก่งกว่าภาษารีบุอะไรยังทีนี้เอาไปปฏิบัติดูเดี๋ยวเราอาจจะมีไรแถามมาก็ได้อย่างนลวงปู่ม่านนี่ท่านติดต่อกับเทวดาได้รู้สึกอ่านจิตของลูกศิษย์ลูกหาได้ท่านกันละลึกชาติได้ครูบาอาจารย์บางลูกท่านกันลลลึกชาติได้ก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 เกิปัญญาทุกทีเพื่อที่จะหลุดพ้นใช่ไหมครัมองเห็นได้เป็นไามโแต่ทางสาวทุกทางปุุ้ชนนี่ยังจะแก้ปัญหาเพื่อที่จะติดอยู่กับโลกอยู่ <c oughs> เช่นยากจนเรหาวิธีทํา ง, งานให้รวยออันนี้แต่ทางพระรีบตัดไปเลยไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาความรวยเลยเพราะรวยแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดเดี๋ยวก็ต้องตายอะไรนะ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 ก็อขออนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัตินะแล้วจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงไปตามลำดับอาจารย์ขอถามต่อครับอาจารยังจะเกิดกำลังไปแบบนี้คือที่ดู อ, อ่านหนังสือที่อาจามมปปรย์เสนอต่อไปอาจารย์ตั้งบรรยายถึงตอนที่ดอกบัวดอกที่สองจะบานต้องให้ตั้งใจเช่นนั้นแล้วก็ทำลาย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 อย่าไปยุ่งกับคนอื่นก็พูดเลยนะยุ่งกับตัวเราเธอชอบไปเอาเรื่องของคนอื่นมาให้เรามาขเขาชอบพเราสับสนนี่เราก็บอก<ค>แล้วตอนนี้หายสับสนแล้วยังอ่ะเราก็ไม่ทําดูส <laughs> ิมีปัญหาร้อยแปดปฏิฆ <laughs> าอย่างเข้าใจ อ, อ่ปฏิฆามันต้องขั้นระดับขั้น สักิดาคามียนาคามีเข้าไปแล้ ว, วก็ถึงเรียกว่าปฏิฆะอันนั้นท่านไม่มีไม่มีความทุกข์กับเรื่องทางโลกแล้วทางไอ้ทางลาบยศสรรเสริญทางร่างกายของตนแล้วมียังมีการอารมยังอยากจะสวดการมอยู่อก า, ก า, ก, าออการอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ความเครียดเนี่ยทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์เนี่ย